50 languages. กิจกรรมระหว่างการพักร้อนิหาดทรายสะอาดไหม क समंदर कंडा साफ है? เล่นน้าที่นั่นได้ไหม คียุธเช่นน้ำกี่ाาจเล่นน้ที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือโอे त เทอร์เรนวิชคุยคุยคุยคุยค่ยคุยคุยคุยคุ่คุ่คุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคเยคยคุยคุยคุยคี่คุยไุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยค ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะกี่เอเธคกิสติกไรเตมิลสักดีเหรดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่นแม้เซิร์ฟกันนะจอนดาฮ์ดิฉันอยากดำน้ำแม้กุตาลกอนาเหดิฉันอยากเล่นสกีน้ำแม้วอเตอร์สกีงน์กันนี่เห ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ क ิ่เซ फ ร์ฟบอร์ดค่าใชยเทมิลสักดาเหขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะเคธจูบบี้อุปกรณ์คาใชยเทมิลสักดาเหขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะเคธวอเตอร์สกีสค่าใช้ายเทมิลสักเดือนดิฉันเพิ่งเริ่มหัด ม่สิ่นม่สิ่งรื่สิเรียนาดิฉันพอเล่นได้แม่สาการันอาดิฉันเล่นได้ดีมากมันลูกบดวิยาตรีเค็นนอลอนดาแห่สกีลิฟต์อยู่ที่ไหนสกีลิฟต์คิดเหตคุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหมคีเทเรโคลสกีสบ๊อบธน